วิบากเกี่ยวกับบาสนะครับบาสกี่ใบเนี่ยบาสนะห้าใบเนะี่ยว่าตรงเนี้ยถือถ้ามาถึงสิกขาบท น, นี้แล้วนะถ้าไม่ได้มารีในเรื่องบาสห้าใบเนะี่ยถือว่าพลาดโอกาสไปอย่างแน่านแายเลยเพราะมันจะเป็นนัยยะนะครับให้เราวินิจฉัย่องเป็นอย่างดีเลยวนะ่าถ้าเราเกิดไปทํากรณีกรณีนี้ในกรณีย่กตัวอย่างมาเราจะต้องทํำยังไงครับไอของที่ได้ามานรื่งขูดหรือไม่ควรนะเรื่องบาสห้าใบานะี่แหละ ยังทนนี่สิม่เป็นไรได้าบาทเข้าไปเลยที่ยังดีนะครับถ้าก็มีนาีดวก็อยู่หน้าอ่าก้าและหกสิบปดนะครับก้าละหกสิบปดย่อหน้าข้างล่างนี่นะครับเกาะหกสิบแปดย่อหน้าข้างล่างมันบาทน ะ, ะนี่นะครับอธิบายปตาัตตาสตุ ก, กะอันนี้ส<ม>ีบนบงนะใบทีมากเลยว่าสีหนังเป็นข้าวหอ น, นะครับ อันหนึ่งผู้ศึกษาเพิ่งทราบปฏาจิตกัรนี้อันแสดงถึงความที่รูปิยะสังหา话ะสิกขาบนนี้หนักนะครับถือว่าหนักมากนะความพิสดารว่าพิสูตใดรับเอารูปยะลังเลทองหนะึ่งครับแล้วจ้างให้ขุดแร่เหล็กขึ้นมาด้วยรูปิยะนะั้นให้ช่างเหล็กถลุงแร่เหล็กนะั้นแล้วให้ทําบาลด้วยโลหะนั้นโอ้นในต้องเลยนะ บาสนี้ชื่อว่าเป็นมหากราปียะนะครับเมื่อสมควรอย่างยิ่งเลยนะที <c oughs> ่ธรรมานาครับทําไมเป็นมหากราปีย ะ, ะครับเพราะว่านะครับมันเป็นสิ่งของที่แบบมันไม่มีเจ้าของมาแต่ต้นนะพิสุขพยายามที่ือต้นเลยคือใช้คนไปขุดเอาแรกแล้วก็มาทําเป็นบาสใช่ไหมครับและสิ่งเนี้ยมันไม่ได้มีเจ้าของเดิมมาแต่ต้นไอบาสมาเนี่ยนะมันก็เลยเชื่อเป็นมหากราปียะนะครับมันจะมี ที่สูนั้นนะครับไม่อ่าทําให้เป็นกติยะได้ด้วยวายายๆนะครับเนี่ยไม่สามารถใช้เป็นกติยะได้เลยครับจะมาสาถ่างกลางอมอะไรไม่น่ไม่ได้เลยนะครับอันนี้อันนี้อาจารย์น่าจะมีคำอธิบายทีิะครับนะครับเอ่อก็ถ้าว่าทําลายบาสนั้นแล้วพบเลยนะให้ช่างทำเป็นกระถางนครับแม้กระถานั้นก็เป็นอกติยะ ให้การทาเป็นมีดเอาไปทําเป็นมีดเลยให้เลนไปตัดไม้นะแม้ไม้สีฟันที่ตัดด้วยมีดนั้นก็เป็นอักขปิยะฟืนก็เป็นอักขปิยะเดียวกับฟืนนะให้การทาเป็ดนะครับแม้ปลาที่ทำให้ตาด้วยเป็นะก็เป็นอกัอกข ป, ปิยปะยที่สุดให้ช่างเผาตัวมีให้ร้อนแล้วแช่นะ หรือนมสดให้ร้องนะครับแม้น้ำนมสดนั้นก็เป็นอระเปี้ยเช่นกันครับไม่ได้โอไม่ได้นะไปทุบจะไลน์ไปทําอะไรนะไม่ได้ตังอย่างครัาไม่ใช่ของไม่ใช่ภาชนานะครับไม่ใช้ไหนทายังไงดีท่านจะบอกว่าที่นั่นบอกว่าทำให้เป็นกับเปี้ยไม่ได้ที่อยู่บารีไรน์เลยนันก็คือเกี่ยวกางมาสายท่ามกลางสงครแต่ถ้าว่าใช้วิธีนี้นะครับให้เข้ามารีเป็ายที่ เราบอกวายายใบไปขายเสีย น, นะครับและจอดเงินมสสาสะท้านกลางโสงเดี๋ยวรีบอย่าใช้ได้นะครับถ้าอยากทําทนะหรือว่าบาทนี้ให้เข้าไปเลยให้วายายให้อะไรไปเลยแล้วแต่นะอันอันนี้เปนมติที่มาทํากันเองะครับแต่ที่ว่าใหเอาบาทนี้ไปขายน ะ, ะแล้วเอาเงินมาอันนั้นอันนั้นดีก็จะบอกว่ามีมีการนะถ้าเกิดพูดจรงวิธีบริหารอย่างนี้นะครับอือ S <S เขาว่ารับออลูปียะท่านบอกว่ารับออลูปียะนี่พูดอ ย, อ, ยนะอยากอุกจิตนะถ้าจะไปรับเอาเพรว่าอยู่ทุกกดกร็รับแต่อย่างไรครับรับมาแก้มันีแก้มลูกดาวเป็นต้นใช่ไหมแล้วก็ไปจ้างเขาทย่างนี้นะครับบาอย่างนี่ไหนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ไม่สมคว ร, ครไม่สมควรแก่ศักดิ์ไม่ถ้าห้าอะไรนะไม่ใช่ว่าท่านไหนที่ใช้ไม่ได้นะครับถ้านไหนที่เหลือก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับอืม อันนี้ไม่อย่างนะที่ว่าจ่ายเขาขุดขุดแรกนะครับถ้านี่เป็นคนไปเองก็ได้แต่นะหรือว่าสั่งให้บุคคลอื่นเข้าไปนะให้เขาทําอันนี้ไม่ว่าอะไรครับม่ว่าอะไรก็บอกว่าชื่อว่ามหากรพิยานที่เขาบาดใบนี้นะเพราะอะไรนะครับเพราะความที่มันไม่มีเจ้าของเดิม น, นะครับเพราะบาดใบนี้นะ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของเดิม น, นะครับ พอพิสูจน์ทำการประทุสลายจําได้นนัแต่ยังเป็นแรกด้วยตนเองนั่นเทียวนะครเพราะมันจะเรี่าเป็นมหากริยาฮะก็บางนั้นนะครับถ้าว่าโจมขโมยออกไปนะแล้วได้คืนมาอีกนะครับโจมขโมยไปก็ไปนะแล้วเกิดได้คืนมานะครับอาจจะตํารวจอะไรไปตามมาให้ได้นะไม่สมควรแก่ใครเลยผู้ที่รู้อยู่นะครับนี่ไม่หนักขนาดนี้นะครับ ถ้าคนที่ไม่รู้เขาก็ยังแบบไม่ต้องอาานะ่านบทใช่ไหมถ้าคนรู้นี่ใช้ไม่ได้ไหนนะครับวันนี้ไม่ควรนะครับถ้าว่าควรไซส์นะครับอาจารย์ทั้งหลายก็จะต้องกามว่าควรอาจารย์หลายก็จะต้องถามว่าควรเมื่อาาร่อ ร, ริงมันเป็นแล้วควรเหมือนกับในบึงเป็นต้องนะครับแต่ท่านไม่ได้กลาวเปอีกท่านเลยก็เชื่อไม่ควรแหไรที่บอกว่านะครับเแล้วนะทําให้เป็นกับเยี่ยมไม่ได้ด้วยบาลลายเลย อันนี้หมายถึงการสายท้ามการสงนะครับหรือว่าการที่โจร น, นะเป็นต้นเชียวไปเป็นต้นและวได้คือมันนะครับอันนี้นะใช้เป็นกับปิยไม่ได้ในอุ ป, ปายนี้นะครับสิ่งของที่เป็นระับปิยะนั้นนะครับจะตั้งอยู่ในรูปนั้นนะนะครับตั้งอยู่ในรูปนั้นก็อ่านะครับหรือตั้งอยู่ด้วยรูปของวัตถุมีแก้มบูดาเป็นต้น อ, อันมีสิ่งนั้นเป็นหมุม อืมขุด น, นครับไปแร่เอาแก้วมดวานะครับอันนี้ก็ไม่สามารถทําให้เป็นกติยะได้นะครับแล้วก็ทําังไงดีล่ะอ่าก็ถ้าว่าพิสุทนั้นนะครับนะครับพิสุทนั้นอ๋ออันนี้พูดถึงนะเมื่อกี้เขาบอกว่าไปอา่างทองนะให้เขาเป็นขุดแร่เอาบาบมาใช่ไหมครับ ทำเป็นบานมาหรือว่าทําเป็นวัตถุทุกกฎก็แล้วแต่นะนะครับไปหาว่าัตถุทุกฎมานะครับอี่ไปกุดเอาแร่อะไรมาล <c oughs> ักษณะอย่างอื่นนะครับที่ที่เหมือนเป็นลักษณะนะไปหามาไปใช้เงินทองนะครับทำมาตั้งต้นเลยตั้งแต่ยังเป็นแร่เลย <c oughs> ถ้าว่าัสู่นั้นนะครับให้ถ้าเอาไอ้นั่นแหละไปขายไอ้กรเปียบวัตถุบานใบนั้นนะหรือวัตถุทุกกฎก็แล้วแต่ที่เขาไปทำาั้งแต่ต้นนั้นนะครับ ให้คนเราไปขายให้เลยแล้วก็เอามาสลาดนะครับอย่างนี้แหละนะพึงทำให้เป็นสิ่งที่สมควรแก่คนเราคนได้ครับแก่ผู้ศึกษาอื่นได้เพรามืสายทางการสมปบแล้วใช่ไหมมีิยมเดินผ่านมาสรุงสิ่งนี้แล้วก็ทําตามอย่างนั้นนะปัจจัยที่เกิดขึ้นมานก็จะควรแก่ผู้ศึกษาอื่นได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าจะไปตสระเป็นบานเลยนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ควรแกใครเลยนะครับแต่ถ้ามาทํานี้อื่นจะได้ ปาตาว่างก็ไม่ใช่ธรรมดานะยากอย่างไนนรกอยนนังทำแต่ที่ว่าก็ทา น, นะครับจบแหละเดือนหนึ่งเดือน น, ย น, นียนะจบเรื่องแรกเขาจบเรื่องนี้น้นี้ก็แค่กล่องครับในท่านส่ดนี้ขอความเจริญงอกงามในทรงมในของพระสมมาสังพุทเจ้า จงแกทั้งหลายด้วยกันพลิท่านแทน